พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีชวิโสธนสูตรหลักการตรวจสอบถึงการสำเร็จเป็นพระอรหันต์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย หากมีภิกษุในธรรมวิไนนี้พยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโรงมรั ajan แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเธอทั้งหลายไม่ควรยินดีไม่ควรคัดค้านคํากล่าวของภิกษุรูปนั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วพึงถามปัญหาว่าท่านผู้มีอายุ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 เธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุแลพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุอุปทานคัขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคือรูปูปารทานนักข์เวทนุปาทานนักขันสั ญ, ญูปาทานัขันสังขารูปาธทานนักขันและวิญญาณูปาทานนักขัน ก็จิตของท่านผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอุปาทานขันห้าประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาศพอยู่จบปรมจัรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเรารู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมะอันสมควรจะพยากรณ์ได้ พึงตอบดังนี้ข้าพระเจ้ารู้แจ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่มีกำลังปราศ จ, จากความน่ารักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับไปเพราะความสละไปและเพราะความสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันที่ยึดในรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ท่านผู้มีอายุจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอุปาทานขันห้าประการ น, นี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าว เธอทั้งหลายกวรชื่นชมยินดีว่าสาธุแล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุธาตุหประการนี้ที่พระผู้มีพระพาตรัสไว้ชอบแล้วคือปัทวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไปวายโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุคืออากาศและวิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณ ธาตุหกประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วก็จิตของท่านผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุหกประการนี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีณาศกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมะอันสงควรจะพยากรณ์ได้พึงตอบดังนี้ว่า ข้าพเจ้ามีได้ยึดมั่นปฐวีธาตุคือธาตุดินโดยความเป็นอัตตาและมีได้ยึดมั่นอัตตาที่อาศัยปฐวีธาตุจึงรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปคลายไปดับไปสละไปและเพราะความสละคืนซึ่งอุปาทานขันที่ยึดมั่นอาศัยปฐวีธาตุและอนุัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นได้ และโดยในยะเดียวกันตอบถึงเรื่องอาโปธาต์คือธาตุน้ำเตโชธาต์คือธาตุไปวาโยธาต์คือธาตุลมอากาศธาตและวิญญาณธาตว่าจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงหลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุหกประการ น, นี้ได้ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุ ล้วพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุก็อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคือหนึ่งจกักกุคือตาคู่กับรูป 2. โสตะคือหูคู่กับสัทธะคือเสียง 3. าคานะคือจมูกคู่กับคันทะคือกลิ่น 4. ชิวหาคือลิ้นคู่กับรส 5. กายคู่กับผลทพัพภะ 6. มโ น, โนคือใจคู่กับธรรมารมณ์ก็จิตของท่านผู้มีอายุผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการ น, นี้ได้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 ความกำหนัดยินดีความอยากความยึดมั่นอุปาทานและอนุสัยคือความตั้งใจมั่นและความปักใจมั่นในจกักขคุในรูปในจักขคุวิญญาณและในธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณและโดยในยะเดียวกันตอบในเรื่องของอายตนะอื่นคือในโสตะคือเสียงในโสตะวิญญาณ ในคานะในกลิ่นในคานะวิญญาณในชิวหาในรสในชิวหาวิญญาณในกายในปฎภะในกายวิญญาณในมโนคือใจในมโนวิญญาณจิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการนี้ได้ ภิกษุทั้งหลายคำที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุและพึงถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงถอนอาหางการมะมังการและมนุัยในกายอันมีวิญญาณนี้และในสัพนิมิตภายนอกได้ด้วยดี ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นขีนาศพอยู่จบรม a j a ์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงนับว่ามีธรรมะอันสมควรจะพยากรได้พึงตอบดังนี้ว่า mm. เมื่อก่อนที่ข้าพเจ้ายัางครองเรือนอยู่ยังเป็นผู้ไม่รู้พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตได้แสดงธรรมแก่ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้สดับธรรมนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาในพระตถาคต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 ข้าพเจ้าบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีสิทขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้หลักพฤติกรรมมันเป็นค่าศึกต่อพรมจันทร์เว้นขาจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากการพรากพิจาามและภูตคามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืน เว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นขาดจากการป้อนรำขับร้องประพรมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกแก่กุศลเว้นขาจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงมาลัยดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลนักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับทองและเงินยินดีในเงินทอง เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีทาตหญิงและธาตชายเว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าและลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจัด ก, การทําหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายจากการโกงด้วยตะช่าง ด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงเว้นขาจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคข้าพเจ้านั้นเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาลพออิ่มท้อง จะไปหน้าที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยะสีลขันเช่นนี้แล้วยอมสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในข้าพเจ้านั้นเห็นรูปทางตาแล้วฟังเสียงทางหูแล้วดองกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องผลทพะทางกายแล้ว รู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์นั้นซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลละธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาและถึงความสํารวมในอินทรีย์ข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยอินทรียสังวรเช่นนี้แล้วย่อมสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน ข้าพเจ้านั้นทำความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนในทุกอิริยาบถข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอริยะสีลขันอริยะอินสียาสังวรและอริยะสติสัมปชัญญะแล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรง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 กำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนะมิทะละอุทธะกุกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธะกุกุจจะละวิจิกิจชาข้ามพ้นวิจิกิจชาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาข้าพเจ้านั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบัรนทอนกำลังปัญญาสงัดจักกามและอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุกอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งขุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตาติยะฌานบรรลุจตุตถฏฌาน <c oughs> เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ขุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่ อ, อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ ข้าพเจ้านั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวรขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมูทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทานี้อสวะนี้อสวะรค์สมูทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาวสอาวะนิโรธทคามินีปฏิปทาเมื่อข้าพเจ้ารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามสวะ ภาวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรมอาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทาเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จึงถอนอาหางการมัมมังการและมนุษยในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสัพพนิมิตภายนอกได้ภิกสุทั้งหลายคำที่ภิกสุรูปนั้นกล่าวเธอทั้งหลายควรชื่นชมยินดีว่าสาธุและพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของเราทั้งหลายเราทั้งหลายได้ดีแล้วที่พิจารณาเห็นท่านผู้มีอายุเช่นท่านเป็นเพื่อนปรมจารี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบชวิโสธนสูตรหมายเหตุผู้อา่านพระสูตรนี้เป็นการตรัสถึงการสำรวจความเป็นอรหันต์ซึ่งใช้คำถามเป็นตัวแสดงนะครับแท้จริงน่าจะประสงค์แสดงให้ภิกษุเอาไว้ตรวจสอบตนเองด้วย เพราะคำถามที่ถามถ้าคนจะโกหกหรือสร้างภาพเป็นผู้รักษาศีลแต่จิตภายในไม่ใช่ก็คงไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นอารหันยกเว้นแต่ว่าผู้นั้นจะปฏิบัติสำเร็จอารหันก่อนจึงจะได้รู้ว่าใครสำเร็จดังนั้นหลักการในพระสูตรนี้จึงควรน้อมเข้ามาพิจารณาในตนว่ามีครบทุกสิ่งมีทิฏฐิดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้หรือไม่ เพื่อสํารวมตัวเองและตั้งมั่นต่อไปให้ถึงจุดหมายหากยังไม่ถึงพร้อมในข้อใดนะครับหลักของพุทธไม่ใช่เน้นจับผิดคนอื่นว่าคนนี้เป็นอรหันต์หรือยังแต่เน้นการกระทําตนให้สําเร็จก่อนและจะรู้เองโดยชอบว่าใครเป็นอริยะแท้หรือแค่ภาพภายนอกที่ดูดีเท่านั้น